นีเนี่ยมันตื่นแบบมันสนุกอ่ะใช่ป่ะตื่นแบบตื่นเต้นโห้ยได้ชมภาพยนต์ได้ได้เห็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นนะมันตื่นได้เหมือนกันนะแต่มาที่นี่วันนี้เราไม่ได้ติดแบบนั้นอนะ่ะมันตื่นรู้อ่ะใช่ไหมหลายคนเวลานี้เดินจงกรมอยู่สร้างจังหวะอยู่ในะข้างล่าง อาตมาก็เห็นโอ้เป็นค่ำคืนที่ต้องจำไว้ในใจเลยนะเราอยู่ศาลานี่เราไม่ได้เห็นแล้วนะพระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์ครึ่งเสี้นะวันนี้นะใสฟ้าก็ใสนะแล้วก็มีแสงเทียนระยิบระยับระหว่างทางอาตมาจินตนาการเอาเองนะถ้าหลวงพ่อกำเขียนอยู่นี่ท่านถ้าจะอบอุ่นใจเนาะ มีคนมาปฏิบัติทำแลระทุกครั้งที่มีคนมาปฏิบัติเนี่ยนะหลวงพ่อจะมาเดินชงกคมเป็นเพื่อนนะมาอยู่ใกล้ๆตอนเช้าๆเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะไปทำธุระส่วนตัวอะไรของท่านเนี่ยที่หอไตก็ดีที่ลานหินโค้งก็ดีถ้ามีคนมาปฏิบัติกันเยอะๆเนี่ยนะท่านก็มาเดินเป็นเพื่อนนะทำให้เราอบอุ่นใจ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 ยิ่งคนสมัยนี้เนี่ยถ้าไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ก็จะไม่เชื่อเหมือนพวกเราอะทุกๆคนะนะเะเะมีจริงเหรอพระุทธเจ้าอ่ะเป็นอย่างนั้นจริ ง, รงๆเหรอแต่เมื่อมีครูบาอาจารย์มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายหลวงพระเทียนหลวงพ่อคําเขียนท่านได้นําเอาวิธีการประพุทธปฏิบัติเนาะมาทดลองกับตัวท่านทํากับตัวท่านแล้ว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 รื้สืกต่อเส้นทางที่จะออกจากความทุกขนะ์ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวตามาเองหรือพวกเราทุกคนเนี่ยคงจะได้สัมผัสบ้างนะไม่มากก็น้อยอาจจะไม่ถึงที่สุดทีเดียวอย่างที่ครูบาอาจารย์นั้นพูดหรือบางท่านอาจจะถึงที่สุดแล้วก็ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรามีความหวังหลวงพ่อคำเขียนเป็นแรงบันดาลใจ อย่างที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวเดินต่อไปที่จะออกจากความทุกข์ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พระบรมดศาสดาเนาะได้ถางทางเอาไว้เราไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากเลยเราไม่ต้องไปค้นหาทางใหม่เลยมันมีทางอยู่แล้วมีทางเดียวคือเราเดินไปเท่านั้นเองแต่ทางนี้นะมันลบชัดหน่อยคนที่มาฝึกใหม่ๆเนี่ยนะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้มีโอกาสช่วยจันทงศิลป์เนาะพากลุ่มปฏิบัติโรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วก็มีพระใหม่พทีิบวตใหม่แต่หลายคนก็รนบังคับมาทั้งหมดเลยเระบังคับมาโอ้ยฝึกมันทุกขนาดหนักเลยนะ วันแรกๆมันมง่วงๆ่ว ง, ง่วงขนาดหนักเลยนะาามาทรมานตัวเองก็เปล่าเนี่ยนะก็พยายามจะพูดให้กำลังใจนี่แหละทางมันลกชัดทางมันไม่ได้ราบรื่นหรอกนะเหมือนกับพวกเราเหมือนทุกคนนะ่ะด้วยที่เราได้ฟังหลวงพ่อคำเขียนเทศเมื่อเมื่อตอนทำวัดจำได้ไหมโอ้ยหลวงพ่อบอกแรกๆมันก็ง่วงง่วงนะนั่งนี่ก็ง่วงนะ นี้ยังเดียวเดินหรือว่าเขียนเดินอาจามาไปอ่านประวัติหนังสือเล่มแรกที่ท่านที่ท่านให้สัมภาษณ์นะชื่อธรรมะสู่ธรรมชาติเล่มเล็กๆ <c oughs> ท่านบอกว่าใหม่ๆนั้นโอ้โหง่วงขนาดหนักเลยนะ <c oughs> นั่งนี่ง่วงท่นต้องเดินอย่างเดียวเลยเดินวันนั้นตรงนี้อาจามาก็เชื่อว่าพวกเราก็เหมือนกันนะเนาะเหมือนกับหลวงพ่อนะ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 ในการที่เราจะเดินตามรอยของพระบรมศาสดาแซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปสัมผัสกับท่านได้แต่ก็มีผู้ที่สืดต่อมาก็คือครูบาอาจารย์พระสองฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ใช่จะเพราะพระสองฆ์องค์เจ้านะญาติโยมที่มีการประพฤติปฏิบัติแล้วมีผลนันก็ถือว่าเป็นผู้สืบทอดพระพิทธศาสนาเหมือนกัน หลวงพเทียนนั่นพูดไว้ว่าชัดเจนเลยนะท่านบอกว่าอาสาวกของพุทธเจ้าเนี่ยนะมีแค่สองบริษัทเท่านั้นนะมีผู้หญิงกับผู้ชายไม่ใช่เพื่อบริษัทสี่นะอาตอมาก็ได้ยินท่านพูดเออแตกเลหลวงป่อเทีย น, น เ, เ, ยเย น, นี่ยเฮ้ยอันนี้มันลบล้างคําสอนพุทธเจ้าวนะันนึงผู้หญิงกับผู้ชาย มันไม่ได้เกี่ยวกับเพศไม่ได้เกี่ยวเครื่องแต่งกายเลยนะความทุกข์เนี่ยพิเกเรตันหาอุทานเนี่ยนะมันเรียกว่าคุณจะนุ่งชุดใดก็ตามะมันเล่นงานได้หมดนะแต่มันจะไม่เล่นงานคนที่มีสติมีสติสัมปชัญญะมันเล่นงานไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็อหอยเรามีความสบายใจและมั่นใจได้ว่าเส้นทางที่เรากําลังเดินเนี่ยนะ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 สมัยอา่มามาฝึกกับท่านใหม่ๆเนะี่ยไม่มีหลักกลุ่มมีคอร์สเคิดไม่มีมานี่มากันเองปฏิบัติกันเองแล้วหลวงพ่อก็ปล่อยล้วปฏิบัติอิสระเลยแล้วท่านก็มาแอบๆดูนะสมัยที่มามาใหม่ๆนี่ยนะโอ้โหมันง่วงนอนอนะ่ะอยู่กุฏิข้างบนอนะ่ะประมาณกุฏิเก้าหรือกุฏิสนะิบอะง่วงนอนนะ่ะตอนบ่ายอนะนอนเลย มาได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กเอาเอา๊ะใครมาเนี่ยเอาหลวงพ่อเดินไปแล้วหลวงพ่อมาดูแ <c> ล <oughs> ้วก็มาดูอยู่นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นบรรยากาศของวัดปาสุโกโตสมัยก่อนนะหลวงพ่อเขียนในท่านให้อิสระนะในการปฏิบัติซึ่งการให้อิสระมีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือมันมีอิสระในการปฏิบัติแต่ข้อเสียคือถ้าใครอินทรีย์อ่อนเนี่ยจะอยู่ไม่ได้หรอกมาวันแรกก็ หนีแล้วไม่ไหวเบื่อเจอความม่วงมาถอยแล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนเพราะนั้นการที่เรามาร่วมกันปฏิบัติบูบชาาในค่าคืนวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้บูชาหลวงพ่อคำเขียนในเวลาเดียวกันมันก็เป็นการบูชา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 ถ้ า, าไปศึกษาประวัติหลวงพ่อคาเขียนเองเนี่ยท่านก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นเกษตรกรแต่ก่อนท่านก็ไม่ได้รักธรรมชาติอะไรเท่าไหร่แต่เมื่อท่านมาประพฤติธปฏิบัติและท่านเข้าใจธรรมะนี่แหละท่านก็เลยรักสรรพสิ่งเส้นความเมตตาความรักของท่านเนี่ยพวกเราได้สัมผัสสําหรับคนที่ได้สัมผัสท่านเนะ ย, ย็นยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับนะทุกคนนะที่เข้ามา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 กอนที่ท่านจะมาสนใจเรื่องพวกนี้ท่านเป็นหมอธรรมใช่ไหมและการสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนิพพานเรื่องสวรรค์อะไรพวกเนี้นะเป็นความสงสัยของคนสมัยโบราณ น, นะเป็นหมอธรรมแต่ก็ยังสงสัยอยู่ยังมีความทุกข์อยู่นะตอนหลังท่านก็ทราบข่าวว่าเออมีคนที่จะพูดเรื่องนี้จะสอนเรื่องนี้ได้คือหลวงพ่อเทียนนะท่านก็เลยไปศึกษา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 เมืออยังวันก่อนที่ท่านอาจารย์ไปสารพูดนะวะ่าปฏิบัติธรรมแล้วมันน่าจะเกิดการเปลี่ยนการพริกใช่ไหม5ปีแล้ว10ปีแล้วยังโกรธเหมือนเดิมยังขี้อิดฉาเหมือนเดิมยังขี้บ่นเหมือนเดิมมันแปลว่าอะไรมันคืออะไรเราต้องทบทวนตัวเองแล้วล่ะต้องถามตัวเองแล้วล่ะเราเดินมาถูกทางไหมหรือความเพียรของเรามันพอไหมทำทำหยุดหยุดขยันก็ทํา ที่เกลียดไม่ทําเบื่อไม่ทําไม่เบื่อทําเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยไม่ค่อยเกิดผลเท่าไหร่แต่ถ้าเราศึกษาประวัติของหลวงพ่อคำเขียนเจนว่าพอท่านลุยนะท่านลุยเลยลุยให้มันจบเลยตอนเดินโยมเนี่ยท่านก็คิดว่ามันคงจะไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่พอทําเดือนนึงเนี่ยท่านเข้าใจเบื้องต้นรูปนานเนี่ยท่านก็มาดูโอ้โหนี่ขนาดแค่นี้นะ แค่เดือนเดียวนะยังเข้าใจขนาดนี้ถ้ามันถ้าบวชแล้วมันมีเวลาเต็มที่มันจะแค่ไหนเออเนี่ยท่านไม่ยอมมาไม่ยอ ม, ม, ยอมแพ้นะขนาดช่วงแรกๆหง่วงนะแต่ท่านก็ผ่านความง่วงได้กลับมาดูตัวเราสิเราง่วงเราก็แอนนันแอนเข้าปุติใช่ปะ่ะยิ่งที่วัดป่าสุโกโตนี่อากาศจะช่อมเย็นสบายดยีนะนะหรือบางคนเอโทรศัพท์มาเล่นละ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 ว่าเราทำอย่างนั้นได้ยังท่านตายแบบสงบนะมันคือผลนะแต่จะเ ก, กิดตรงนั้นเนี่ยมันต้องสร้างเหตุก็คือฝึกมาอย่างอย่างดีอย่างต่อเนื่องดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราระลึกว่าสิ่งที่ท่านได้เดินมาเนี่ยนะมันไม่ได้โารยด้วยกิจกุลากรมันลำบากแต่ความลำบากนั่นแหละมันทาให้เราเข้มแข็ง คนปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทําให้เราอ่อนแอจริงๆเ้าเรียวกว่าอิงซีลูกหนูอะ่ะช่วงที่แล้วนักศึกษาพยาบาลเนี่ยจะมากับอาจารย์ลงสินเข็นคุกขึ้นภูเขายิงโคตรโคตรเดี๋ยพูดเดีย๋ยวพูดพูดกันอีกอโอไม่กลับไปกูติดนะไปร้องเพงเลงกอะไรเมื่อเช้านะไปได้กลับบ้านแล้วร้องเพลงมะโอ้ยโยมเดี๋ยวไปร like ้องที่บ้านนาอวันนี้จะได้กลับแล้วนาะ คนไม่มีศรัทธานำบาสนะแต่เองพวกเราในมีศรัทธาเนาะมีศรนะัทธาแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทําที่บัพฤติปฏิบัติแต่บางครั้งมันก็มีสิ่งที่มาขวางกั้นนะ่ะความง่วงความเบื่อความสงสัยความลังเลความคิดฟุ้งซ่านจริงๆพวกเนี้ยนะจะมาว่าไม่ใช่ไม่ใช่อุปสรรคนะเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ให้เราเรียนรู้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 อาจรย์ปสารบอกก็แล้วแต่ตามสบายนะใครไม่ไหวก็ที่นี่ก็หลับได้นะแต่ขอยอย่างเดียวอย่ากลอนนะหลับได้แต่อย่ากลอนกันใครที่รู้สึกว่ากลอนก็แบบก็พยายามแต่ปกตินั่งในกลนนะนะยกเว้นแต่นอนนะนะใช่ไหมนอนหงายอย่ากลอนแต่ใครนอนกลนก็บอกให้นอนคว่ำนะมีหมอคนนึง หมอญี่ปุ่นอายุร้อยสามปีวันนั้นอาจจะมาดูเฟซบุกแกบอกวิธีการนอนแกแกนอนคว่มอ่ะเอออายุยืนแปลกเรานอนคว่มไม่ได้อาเจยไม่ออกใช่ไหเออ this is the p แปลกเนาะก็อนนี้แหละการศึกษาประวัติคูบาาจารย์เราต้องดูตั้งแต่ต้นนะอย่ามาตอนปลายตอนปลายเนี่ยมันดูเหมือนง่ายๆอ่ะ อโอ้โหท่านได้ผลมาแล้ว่ะใช่ปะแต่ก่อจะได้ผลมาเนี่ยโอ้โหเดือดตาทับกระเด็นนะท่านเล่าให้ฟังสมัยอยู่ป่าพิทยานเดินจงกรมสร้างจังหวัดนะโดยเฉพาะการรูปลูปนามในเดือนแรกเนี่ยก็จะการเดินแล้วพอท่านเข้าใจสุดท้ายนั่งนังสร้างจังหวัดอันนี้อันนี้อ่านจากประวัตินะประวัติที่ท่านเล่าให้กับคนที่เขาไปสัมภาษณ์ นหนังสือธรรมะสื่อธรรมชาติเล่มเล็กๆเล่ม น, นี้แต่มาว่าน่าจะพิมพ์ขึ้น ม, มาใหม่เป็นหนังสือที่ไม่ค่อยมีคนได้อา่านเป็นหนังสือเล่มแรกที่รวบรวมที่เป็นเฉพาะหลวงพ่อคาเขียนท่านเดียวเลยแต่ก่อนจะเป็นหนังสือรวมหลายๆคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในในในรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยแต่ว่าจําเป็นนะโดยพาะคนใหม่ๆอย่าอย่าไป น, นึกว่าเอ้ย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 แต่พอเต้งหมดเวลาคุยอะไรจิกๆๆกๆิกกกกกกเอานาฬิกาเอาโทรศัพท์มาเล่นปุ๊บๆุปไปแล้วเพะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้ให้ระมัดระวังสตินี่เป็นเรื่องรีเอดอ่อนจริงๆนะไปประมาทกับมันไม่ได้นะทีนี้แต่นั่นแหล ะ, ะถ้าเราทำในรูปแบบให้ให้ชัดเจนเข้มข้นเนียนะมันจะขยายไปสู่กิจกรรมหรือสิ่งที่เราทำอยู่ในประจำวัน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 อาจจะมาไปได้ยินคนเก่าๆเข่าให้ฟังบางคนเนี่ยทําในรูปแบบยังไม่เข้าใจหรอกอย่างแม่เทียนเนี่ยแม่เทียนภรรยาของหลวงพ่อเทียนเนี่ยเข้าใจธรรมะขณะเก็บฝ้ายอะเก็บฝ้าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องฟังไมคทีนะนั่นก็หมายถึงว่ามันอาจจะเป็นในรูปแบบก็ได้นอกรูปแบบก็ได้นะหรือว่ามีชาวบ้านบางคนเนี่ยเข้าใจธรรมะขณะที่ เอาเอาข้าวให้หมูกินหรืออย่างที่หลวงพ่อมเขียนนี่เลายฟังแล้วมีคุณหมอคนหนึ่งที่อยู่นครสวรรค์ใช่ไหมเห็นรูปนามเห็นความคิดขณะที่อาบน้ําเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราจะเจอะเอกับความคิดพอดีเนี่ยนะมันเป็น้ังในรูปแบบก็ได้นอกรูปแบบก็ได้แต่การทําในรูปแบบเนี่ยมันจะมันจะมีหลักมีฐานที่ที่ท ouais. right. pues, ี uh ่ชัดเจนที่มั่นคง แต่พอเราออกนอกรูปแบบเราก็ไม่ทิ้งนะในการที่เราจะรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะนั้นธรรมะก็ทึงบอกว่าเป็นอากาลิโกงะไม่จํากัดด้วยการเวลาไม่ได้หมายคก็ว่าจะมาเข้าใจะธรรมะเอาตอนที่อยู่วัดบางทีอยู่กลางถนนก็ได้เจอไฟแดงแเออกลับมาก็ได้ใช่ไหม สมัยจะมาไปบวชเมื่อปีสองห้าไปอยู่กับหลวงพ่อเทียนที่วัดโมกตอนนั้นบวชได้ประมาณสักสี่สิบกว่าวันประมาณกลางมรรษาเดินจงกรมสร้างจังหวะทั้งวันนะั่นแะสมัยนั้นนะนะไม่มีใครมาคุมอะ่ะเราทำาเราเองเราศรัทธาเราทำ เ, เอยไม่เข้าใจนะไม่รู้นะรูปนามความรู้สึกตัวก็ไม่ชัด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 พ ว, พ, พวกทางคกพวกยิ่งกาอะไรเราไม่เคยดูเลยนะตรงนั้นมันเริ่มมาดูสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆอะ่ะแต่ก่อนเราจะไปดูเรื่องข้างนอกตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มตน้นนาของการที่เราอ๋อความรู้สึกจวนเป็นอย่างนี้นาะที่หลวงพ่อเทียนพูดนาะรูปนามันเป็นอย่างนี้นาะมันเข้าใจโดยไม่ต้องไปถางครูบาอาจารย์นะเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยเพราะนั้นจังหวะที่มันจะพเหมาะพอดีเนี่ยนะมันไม่รู้เวลาไหนแต่การที่เรา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 เป็นการมาศึกษาอย่างที่ท่านอาจารย์สารพูดเมื่อตอนต้นว่าวันนี้คืนนี้เราไม่ได้มาทรมานร่างกายนะเรามาศึกษาร่างกายของเราแตมันง่วงเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรใช่ไหมมันทนได้ไหมมันฝืนได้ไหมนะสมัยตมาไปฝึกอยู่ที่วัดสนามในสมัยมนี้ยังไม่ได้บวชนะเป็นโยมเนี่ยลงไม่นอนคืนหนึ่งมันจะมีช่วงจังหวะที่ง่วงนะประมาณตีสาม ถ้าคุณผ่านตีสามไปได้คุณตื่นเลยแล้วมันจะไปง่วงอีกทีประมาณบ่ายสามโมงตัวแตาไม่นะเคยสังเกตว่าเออไม่นอนทั้งวันเลยเป็นไงนะแต่นี้ก็ไม่แน่นะแต่ละคนอนาจจะไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉนั้นคืนนี้ลองศึกษาดูถือว่าเป็นค่ําคืนในการศึกษาบูชาหลวงพ่อคำเขียนเอาตื่นด้วยการตื่นรู้ไม่ใช่ตื่นแบบตื่นกลัวระเบิดเมื่อไม่นานมาเนี้ย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 แต่ถ้าเราอ่อนแอไม่ไหวและวสู้ไม่ไหวแล้มวมันก็เดี๋ยวมันก็ยอมแพ้ไปเลยเพราะนั้นลองดูเนาะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแะแต่ยังไม่ต้องไปนะจนถึงแบับเจ็บให้ได้ป่วยอะไรแต่กงไม่เจ็บใายได้ป่วยนะยิ่งยิ่งคืนนี้พระใหม่เนี่ยได้มาปฏิบัติอันนี้ถ้าผ่านคืนนี้ได้เนี่ยอาจจะมาคิดว่ามันเป็นค่ำคืนที่จารึกไว้ในใจเลยวะ โอ้โหครั้งหนึ่งเลยเราอดหลับอดนอนมาเดินจงกรมสร้างจังหวะซึ่งมันต่างจากการอดหลับอดนอนดูฟุตบอลโลกอะ่ะใช่ปะ่ะแต่งจริ ง, รงมันมันจิตมันคล้ายกันมันตื่นเหมือนกันแต่มันติ่ด้วยอะไรเท่านั้นเองนะอันนี้มันเงีย้ยเงี้ยไม่มีอะไรปลุกแล้วนอแต่เราก็พยายามที่จะปลุกตัวเราเองตื่นขึ้นมาแตอันนี้เป็นพลังแห่งสติพลังแห่งความรู้สึกตัวเราถ้าใครง่วงๆก็เอะน้ํามาจิบ หรือว่าลุกขึ้นเดินไปห้องน้ำบางอะไรก็ได้เนาะถ้าไม่ไหวจริงๆกน็นี่สักงีบหนึ่งแต่ขอร้องนะอย่า ก, กลนนะแถวนี้นะเดี๋ยวกลนกันแต่เดี๋ยวถ้าที่มาเทศน์นี่เดี๋ยววิขึ้นสวัรค์ชั้นต่ำๆนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ อ, อยากจะอนุโมทนากับพวกเราเนาะที่ได้มาร่วมกัน ปฏิบัติบูชาเป็นกําคืนบูชาหลวงพ่อคำเขียนแล้วจริงๆหลวงพ่อคาเขียนนอยู่ในใจเราทุกคนแลวเราทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นอย่างหลวงพ่อได้และก็คือการที่เราจะออกจากความทุกข์ได้จะได้มากได้น้อยก็ขอให้เรามีความเพียรพยายามมีความเชื่อแล้วก็ลงมือกระทำอย่าเพียงแค่เชื่อแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ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 เราได้ร่วมกันเนะาะค่ำคืนนี้ได้ร่วมกันทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นการบูชาครูบาอาจารย์นะก็คือหลวงพ่อกําเขียนหลวงพ่อเทียนย้อนไปถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะผู้ที่ถางทางไวใ้ให้กับพวกเราแล้วเพียงแต่ว่าเราก้าวเดินลงไปแล้วก็พยายามที่จะมีความเพียรความพยายามความบากบัน่นนะ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 ที่แสดงปรากฏนะออกมาทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลก็ดนะีให้เราได้เห็นนะจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากกายจากใจของเราและประสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัติข้ามคืนวันนีนะ้เรามาปฏิบัตินะบูชาหลวงพ่อเทียนและก็เป็นการพัฒนาตัวเราเองนะก้าวไปสู่ความพ้นทุกขนะ์ด้วยความเพียรพยายามความอดทน ความศรัทธาประกอบไปด้วยสมาธิสติปัญญาละขอให้ได้สิ่งที่เรามุ่งมากปรารถนาและก็คือความพ้นทุกข์ในชีวิตนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร